Fifty languages. 34. m u q a t บนรถไฟไร่เลยนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะอดเบอร์ลินก็ปกุมไรล่ะรถไฟออกเมื่อไหร่คะ รายลยีเ่เอตตานีม க นิกก์คีลัมบุมรถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไรคะเบอร์ลินก์น்็เยปปุร์ดูพอยเซร์มขอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะม ன นิกก வ ு ம มนா ன นยิ் வ บดีอ่ะค่ะเซลล่ลามาดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะนิิ்กั்ยันยึ த ตั้งอมาเ் த ி ர ு க ் க ி ற ீ ர ் க ள ் என்று ந ி ன ை க เรียรตู้นอนอยู่ขบวนไหนคะสลีเปอร์ยังไตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ สเ e เปอร์ไรล์น ER, ์มุดดิวิลอยู่ขีรดและรถสะเบียงอยู่ขบวนไหนคะขบวนหน้าคะ่ะอุณหภูมิที่ยังไงอยู่ขี่ระดับไรล์น์อ่อนบัดเดี๋ยวฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะนอนขีดบัดเดี๋ยวอุรังกาลามดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะ นอนนั่งบติลอุรังกาลามดาดฉันข อ, อ น, นอนข้างบนได้ไหมคะนอนเม ล, ล์บัตริลอุรงกาลามเราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ น, น้ำยังไงคือยังพูดุโปยใจรว่วมไปเบอร์ลินใช้เวลานา น, านเท่าไหร่คะเบอร์ลินไปน้ำยีต่ต้นนาอนเยดะกุม รถไฟจะเข้าช้าไหมคะไรล์ตามมาด้วยเจลิกิดาคุณมีอะไรอ่านไหมคะุงกะลีดังพอดีพอดรักก็ย้ายดาวด้วยยีริกิดาที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะอิงก์ซอฟต์ปิดบดร์ก็คุดีพอดร์ก็ย้ายดาวด้วยคดเกม คุณช่วยปลูกดีฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะได้วริสิทธิ์ยังไนเยอะมนิดก็เยอะปูดไปดิคี่ล่